ได้เกิดปัญญาได้ยินแล้วมาเป็นปัญญาถ้าได้ยินได้ฟังแล้วไม่เกิดปัญญามันก็ไม่ใช่ศึกษากินแตม่ยปัญญาปัญญาเกิดจากการขบเคี้ยวเยดเยะไม่ใช่ซื้อบื้อทำตามกันไปไม่ใช่อย่างนั้น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 ยืนขึ้นแล้วมีกระดานผ่าลเมเปิ้ลลงไปหน้าผากจุดพื้นไปมือฝ่ามือลูกขึ้นยืนขึ้นเป็นร้อยพันพันครั้งเรากราบสามทีก็เกือบใชไม่ไหวแล้วบอกให้ทำหลังเดนเขามาอยากทำแปะลองขี้เกียรนะ์บอกว่าเมเปลองเป็นจางแค่ปริดิตเป็นจางแค่ประดิตคือ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 อ้อมลงว่แม่มือจดคิ้วพุโทโธเมนาโถเหนื่อยขึ้นอพอกลับลงก็ปองงวนแม่มือจดคิ้วพุโทโธเมนาโถ ว, ว่านให้ใจหาขึ้นมามืมา่อแต่เขายกขึ้นมาหน้าอกอันเฉลีวันทาอภิวาสแล้ววาก้นนี่ให้จดนอ้องอยาให้ก้นเงืง่งหมือนกับ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 ถ้าเราไม่สอนตนเองติดความชั่วติดกิเลสตัณหาเป็นจริตนิสัยได้ลาข่าจริตชิดแต่เ ร, รื่องลูบรุดกินเสียงการเล่นโมเมาเอิดเปิินในกลามมาคุณเรือที่ย้อนยอกโน่นหยกนี้นก็ติดไปแบบนั้นหีืว่าลาค่าจริตบุ้งๆแต่งๆยินดียินเลยโตสาจริต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 ไม่เห็นป่วยเแม่ก็ยกมาว่าอยากให้แม่เป็นบาป้ะเอาก็นั่งลงแม่ไม่เป็นไรลกสบายยดีอยู่เทไปทำไมสองปีไม่กลับบ้านไม่รู้พ่อเตียงมีแม่หรือไม่คิดถึงแม่ก็ตามเอ่ใแม่ต้องคิดถึงลูกตลอดเวลาใช่ไหมทาไมไปอย่า ง, งไงให้ลูกเตียงมีแม่ปะ ไม่คิดถึงแม่ไม่เป็นไรแต่แม่ต้องคิดถึงลูกแม่ลูกของแม่เป็นพระลูกของแม่เจ็ดคนไม่ลูกเป็นพระลูกคนหนึง่งไม่ชัว่วหรอกแม่ลูกชายของแม่คนนี้ไม่ชัว่วดีกาไม่ชั่วกว่าตงเป็นพระก่อตามแต่ต้องคิดถึงอย่างน้อยต้องให้ลูกบงังอยู่ที่ใดให้ข่าวข่าวกันบ้างขอร้องก็ให้ข่าวกันบ้างราะนั้นเนี่ยไปพูดว่า ไปสวนแม่บ้างหือไปพูดโอ้ยแม่โอ้ยลําบากไปอยู่วัดป่าสุโกโตลำบากลำบากจริงจริ ง, งแม่ไม่รู้จะทนได้ไหมก็แม่มาเยี่ยมหน้าบูดหน้าเบึง่งเศร้าซอยงอยเหงาแม่ก็ใจเหี่ยวโอ้ยลูกชายของฉันเป็นนอ้องทาไมไม่สู้ลูกน้องแทนที่จะแม่ชื่นใจแม่ก็เศร้าแสดงฝวกบ่อนเด้อไม่จัดเราต้องเข้มแข็ง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 สังฆาโตภค ว, วตาธรรมโอภธรรมเป็นธรรมบอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตอดไอยดีแล้วสอนทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาเลยปฏิบัติเพงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ควรโน้มก้มเอายตัวมันเป็นวิทยาศาสตร์พระธรรมเนี่ยเ่าไปโทษจริงเวลาใดมันหลงไม่หลงก็ได้เวลาไรมันทุก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 คิดถึงแม่เพราะกินอาหานไม่เหมือนแม่ทำํำไอีกก้คนหนึ่งไว้าจากสารัตเป็นลูกหมอเป็นหมอเป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยพ่อก็เป็นคนไทยเป็นหมอทั้งกู่ไปอยู่สารัตเอาลูกชายมาบวดปเป็นเนนที่เนี่แต่เนนเนี่เพื่อภาษาไทยไม่ก็ได้ต้องคนพั ช, ชานมาอยู่ช่วยดูวเลยเอาลูกมาปวดที่นี่คิดถึงแม่คิดถึงอะไร คิดถึงอาหารที่แม่ทำมาอาหารใครทำํำมาดูว่าแซ ف, ่บแทําแม่ทํำยังไงก็ทําทวัานนี้ทำไหมทําเหมือนแม่เราเขยังไม่แซ่บเหมือนแม่ทำมํำมาเย็นเพราะน้าใจแม่ไม่ใช่อาหารเอามาทําที่แม่ให้สูตรมาก็เขียนจดหมายไปแล้วคุณทํามาในลูกคนณกินไงเขียนจดหมายไปถามแม่เขาก็บอกสูตรมาเขียนเนาะเราก็มาทานะแเรวก็ทําเหมือนแม่เขาบอก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 ไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเฉิเป็นกลางไม่ด่วนยินดีไม่ด่วนยินรลอยมีความเป็นกลางนี่เรียกว่าสติสติจริงๆไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเฉิเป็นกลางเป็นกลางๆไม่บวกไม่ลบเป็นกลางความเป็นกลางตรเนี้เป็นธรรมพินอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวเป็นกลางไม่บิงเข้าไปสู่ความบวใจ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 อย่าไปขี้เกียจอ่อยไม่ไหวไม่ไหวอย่าว่าไม่ไหวว่าไม่ไหวภาษาไทยจับได้ไม่ต้องใช่ไหมไม่เป็นไรลเลยทเวไปแทนก็ว่าไม่ไหวไม่เป็นไรใจมันจะต่างกันนะเพราะว่าไม่ไหอ่อนแอจงๆเพราะว่าไม่เป็นไรเข้มแข็ง หัดจิตทันใจตัวเองหัดพิจัยหัดความคิดเนี่ยเข้าไหมเจ้อยังไงวันเนี้หลวงตาจะเปิดปฏิบัติธรรมที่โคกทองเมื่อคืนก็มีคนโทรมาญาติเข้าห้องไอซีูที่โรงพย า, าบาลเมื่อวานเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้หลวงตาไปจะทันไหมคงทันระวังนะก็จากไปดูกนะัน